55เจ็ดห้าหกการทำงานคุณทำอาชีพอะไรคะสามีดิฉ well, ันเป็นแพทย์ค่ะ ดิฉันทำางาันอัฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงายอีกไม่นานเราจละสด้รั่มาเงยบนอส่เงบนอาม่นานเนาพบะังนำานาพวันองสชังนาปังช่ภนาษีพาสูสงมามมันากเนนาะ่ และค่าประกันสุขภาพก็สูงโอซูเซคริงเยดยุ่งหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตเบลทูเบลหนูอยากเป็นวิศวกรย้ายเบลเบลนชิเนียหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิลเ l ส์ปุนวิตี้ท ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดย้ายไปฝึกชิคเคนตดิฉันมีไรายได้ไม่มากย้ายเจนเออีกไม่กี่ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศย้ายไปฝึกชิคในอุตสาหกรนี่คือหัวหน้าของดิฉันเดียร์มินเชฟ ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี j ย้ายหาราค l ลีเก r เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอในฟรกุก pausen g าวสนว์น l ก็ไปที่แคนตินดิฉันกำลังมองหางาน j a า s เสว์จ็อบดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมา ก, ก, ากที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจมากะนมวงนมากระเางกทปรที่กประเทศางปรเทนี่งงานจำกระเีาวนที่ระเนวงกระเ่านวนม่รเวร่างปรที่นจำม่่าำรนงะาวเวร่นม่่า